วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหยุดทำงานกันหนึ่งวันเพื่อจะได้มาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการทำงาน การทำงานนี้เราทำเพื่อร่างกายเราทำเพื่อเลี้ยงดูปากท้องด้วยการหาปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้แก่ร่างกายเพื่อที่ร่างกายจะได้อยู่อย่างเย็นเป็นสุข แต่ร่างกายก็เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องตายไปแต่จิตใจนี้ไม่เป็นไม่เหมือนร่างกายตรงที่ว่าจิตใจไม่มีวันตายเราจึงควรเห็นความสำคัญของจิตใจ ให้มากกว่าร่างกายเพราะจิตใจของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายก็อยู่ที่การทําบุญของเราการทําบุญนี้ก็เป็นการให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยแก่ใจบุญ เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นต่อความอยู่อย่างง่มเยินเป็นสุขของจิตใจต่อการเจริญรุ่งเรืองของจิตใจจิตใจนี้สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้อีกไกลกว่าที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้ขณะนี้เราเป็นมนุษย์จิตใจของเราเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเรานี้สามารถที่จะพัฒนาที่จะก้าวขึ้นไปสูงกว่าการเป็นมนุษย์ได้สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลจนถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทําบุญกันการทําบุญนี้เป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจที่ไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายที่จะต้องตายไปตามวาระตามโอกาสร่างกาย เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลแต่อย่าดูแลจนลืมการดูแลจิตใจไปจิตใจนี้ต้องมาก่อนร่างกายร่างกายนี้ดูไว้ดูแลเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้เอาร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนี้ มาทำบุญร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจที่ใจจะต้องใช้ในการทำบุญในการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่จะพาผู้โดยสาร ให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการจะไปได้จิตใจก็เป็นผู้โดยสารร่างกายก็เป็นรถยนต์จิตใจต้องการไปพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นที่มีแต่ความสุขเป็นที่ไม่มีความทุกข์ ที่อื่นๆที่เราไปกันในขณะนี้คือพบต่างๆเป็นพบที่มีความสุขผสมกับความทุกข์ไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในพบไหนก็ตามเกิดเป็นพบของมนุษย์นี้เราก็มีความสุขสลับกับการมีความทุกข์สุขบ้างสุขมากทุกมากทุกทุกบ้างทุกน้อยสุขน้อย แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับการกระทาของเราเพราะของมนุษย์นี้มีความสุขและมีความทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าเราทาบุญเราก็จะมีความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์แต่ก็ ต้องมีวันสิ้นสุดนองเมื่อพบของมนุษย์สิ้นสุดนองจิตของเราก็จะไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราได้ทํากันในขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าบุญเราทําบุญมากกว่าทาบาปบุญก็จะมีกําลังที่จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆต่อไป สวรรค์ชั้นต่างๆนี้จะมีบุญจะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์อยู่สวรรค์นี้เหมือนกับการไปท่องเที่ยวมีแต่ความสุขจะทุกข์ก็คือตอนที่เราจะต้องหยุดการท่องเที่ยวเช่นเราไปท่องเที่ยวเราก็สนุกสนานกันแต่พอเงินทองที่เราใช้ในการท่องเที่ยวหมด เราก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านเราก็จะรู้สึกเศร้าไม่อยากจะกลับ<ม>เพราะอยู่บ้านไม่สนุกเหมือนกับการไปท่องเที่ยว<ม>การไปสวรรค์ก็เหมือนกันหลังจากที่เราไปสวรรค์แล้วบุญที่ส่งเราไปสวรรค์ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดมพอบุญที่ส่งให้เราไปสวรรค์หมดกำลังลง เราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์เวลาเป็นเทวดาก็มีความสุขมากแต่พอเวลาตกจากสวรรค์ก็มีความทุกข์เพราะต้องกลับมาทำบุญใหม่เหมือนกับเวลาที่เรากลับมาจากการท่องเที่ยวกลับมาบ้านกลับมาที่อยู่ของเรา เราก็ต้องไปทำงานต่อไปทำงานเพื่อจะได้หาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวต่อนั่นเองนี่คือเรื่องของบุญของพวกเราที่เรามาทำกันในขณะที่เราเป็นมนุษย์ทำบุญแล้วก็จะส่งให้เราไปตามขั้นต่างๆของบุญ ชั้นของบุญก็มีสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพก็มีแบ่งไว้หลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับการทําบุญมากทําบุญน้อยแล้วเหนือจากชั้นเทพก็มีชั้นพรหมเหนือจากชั้นพรหมขึ้นไปก็เป็นชั้นของพระอริยะบุคคลคือชั้นของพระโสดาบัน พระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าความสุขของของภพต่างๆนี้ก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับภพของเทพก็มีความสุขแต่น้อยกว่าภพของพรหมภพของพรหมก็มีน้อยกว่าภพของพระอริยเจ้า นี่คือการพัฒนาจิตใจการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจต้องอาศัยการทำบุญเราจึงควรที่จะหาเวลามาวัดกันการที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราหยุดทำงานหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้มา ทำบุญกันนี้ก็เป็นการให้เราได้มาชิมรสของบุญนั่นเองคือถ้าเราไม่ได้มาทําบุญกันเลยเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับรสของบุญเราก็จะไม่รู้ว่ารสของบุญนี้เป็นรสที่โอชะกว่ารสของสิ่งต่างๆ ที่เราได้กันจากการทํางานทำมาหากินเช่นรสของลาบยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะซู้รสของบุญไม่ได้รสของบุญนี้ให้ความอิ่มกว่าให้ความสบายกว่าไม่เหมือนกับรสของลาบยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรส ที่ให้ความสุขแบบควันไฟให้ความสุขแต่ไม่ให้ความอิ่มให้ความสุขแล้วก็ให้ความหิวคืออยากจะได้เพิ่มได้ลาบมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มได้ยศมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มได้สรรเสริญมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะแล้วก็อยากจะได้เพิ่ม แล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็จะทุกข์จะเสียใจหรือได้สิ่งที่หามาได้แล้วถ้าสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือความแตกต่างระหว่างลถของบุญกับรถของสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่เพราะเราไม่ได้รู้จัก คุญค่าของบุญว่ามีประโยชน์มีความสุขแก่จิตใจมากกว่าลาบยศสรรเสริญมากกว่ารูปเสียงกิ่นลดโพธภาพที่เราหากันอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญกันพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมา วันพระก็คือวันหยุดทำงานแล้วให้ญาติโยมได้มาวัดเพื่อมาทำบุญกันให้มาสัมผัสกับรถของบุญที่เหนือกว่ารถทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าเราไม่มาชิมกันไม่มาสัมผัสกันเราก็จะไม่รู้ แต่ถ้าเราได้มาวัดได้มาทําบุญกันได้มาสัมผัสรสของบุญเราจะได้รู้คุณค่าของบุญว่ามีคุณค่าแก่จิตใจของเราเพราะบุญเท่านั้นที่จะให้ความอิ่มความพอกับเราสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับเราได้ มีแต่จะให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปตลอดเวลาถึงแม้จะมีมากมายกายกองไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นตำแหน่งจะเป็นรางวัลจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทำให้เราอิ่มเราพอ กลับทำให้เราหิวเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปความหิวความอยากนี้ไม่ดีสำหรับจิตใจเราก็จะเราก็รู้กันเวลาที่เราหิวเรารู้สึกยังไงเวลาที่เราหิวนี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราอิ่มเวลาอิ่มนี้เรามีความสบายใจสุขใจเบาอกเบาใจกัน นี่คือสิ่งที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้แก่จิตใจของเราได้ก็คือความอิ่มความพอมีแต่บุญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรามาทำกันนี้ที่จะทำให้เรามีความอิ่มมีความพอกันและจะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ จากชั้นของมนุษย์ก็จะขึ้นสู่ชั้นของเทพจากชั้นของเทพก็จะขึ้นสู่ชั้นของพรมจากชั้นของพรมก็จะขึ้นสู่ชั้นของพระอริยบุคคลจนไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นของพาอาาระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าชั้นที่มีแต่ความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์ ผสมอยู่เลยชั้นอื่นๆนี้ยังมีความทุกข์ผสมอยู่ตามตามกำลังตามระดับชั้นยิ่งสูงขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปความสุขก็ยิ่งมากขึ้นไปเช่นพบของมนุษย์นี้มีความสุขน้อยกว่าชั้นของเทพ มีความทุกข์มากกว่าชั้นของเทพส่วนชั้นของเทพก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นของพรหมมีความทุกข์มากกว่าชั้นของพรหมชั้นของพรหมก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นของพระอริยเจ้ามีความทุกข์มากกว่าชั้นของพระอริยเจ้ามีชั้นของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความทุกข์เลย ชั้นของพระอริยะเจ้าชั้นอื่นๆเช่นชัน้นพระโสดาบันชั้นพระสกิดาคามีชั้นพระอนาคามีนี้ <c oughs> ก็ยังมีความทุกข์อยู่ <c oughs> แต่ก็น้อยกว่าชั้นของพรหมของเทพของมนุษย์นี่คือเรื่องของบุญที่จะส่งให้จิตใจขึ้นสูงไปตามลำดับ ให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับให้มีความทุกข์ลดน้อยลงไปตามลําดับให้มีพบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลําดับอยู่ที่การทําบุญตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้บุญที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทํานี้ในขั้นต้นจะส่งเราไป ในระดับที่ยังยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้คือถ้าเราไปสู่ชั้นของเทพชั้นของพรหมนี้ยังเป็นชั้นที่ยังต้องติดอยู่ในพบของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราได้ข้ามขึ้นไปสู่ชั้นของพระอริยบุคคลถ้าเราได้เข้าไปสู่ชั้นของพระโสดาบัน ที่เป็นชั้นแรกของพระอริยบุคคลเราจะตัดจํานวนภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก mm. คือเจ็ดชาติที่จะมาเกิดในกามะพภคือภพของมนุษย์ของเทวดา mm. ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะติดอยู่ในกามะพภอยู่ไม่เกินเจ็ดชาติ ก็จะหลุดออกจากกรรมภพเข้าไปอยู่ในรูปภพคือชั้นของคือสวรรค์ชั้นพรหมส่วนพระสกิดาคามีที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองก็จะสามารถตัดภพตัดชาติให้เหลืออยู่เพียงชาติเดียวที่จะมาเกิดในกรรมภพคือภพของมนุษย์หรือภพของเทวดาถ้า ขึ้นสู่ขั้นชั้นที่สามคือชั้นของพระอนาคามีก็จะไม่ติดอยู่ในกามะพอีกต่อไปพระอนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่กลับมาเกิดเป็นเทเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นพรหมอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะปฏิบัติทำจนหลุด ออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราทำบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาทำกันบุญที่เราต้องทำกันนี้ท่านแสดงไว้อยู่ถึงสิบประการด้วยกันเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบ ก็แบ่งได้เป็นสองส่วนบุญที่บุญที่จําเป็นต้องทําและบุญที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่กาลเทศะเปรียบเหมือนอาหารอาหารหลักกับอาหารเสริมบุญที่จําเป็นนี่ก็เป็นเหมือนอาหารหลักที่ที่เราต้องรับประทานกัน อยู่เป็นประจำเช่นอาหารหลักที่เรารับประทานก็คือข้าวกับข้าวส่วนอาหารเสริมก็เป็นของที่ถ้ามีเราก็รับประทานกันไปถ้าไม่มีเราก็ไม่รับประทานก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรบุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอนี้ ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการทำทานสองการรักษาศีลสามการภาวนาสี่การฟังเทศฟังธรรมและห้าการมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญหลักที่เราควรที่จะทำกัน อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดีเพราะจะทำให้การเจริญก้าวหน้าของจิตใจนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วออส่วนบุญเสริมที่เราทำตามโอกาสก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล เ, ออเวลาที่เราทำบุญเราสามารถ อุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยกลัวว่าเขาจะตกทุกข์ยากลำบากเพราะเขาไม่มีบุญติดตัวไปเราก็สามารถส่งบุญนี้ไปเหมือนกับเราส่งเงินไปให้คนที่อยู่ที่ไกลจากเราอยู่ต่างประเทศเราเป็นห่วงเป็นใยกลัวเขาจะตกทุกข์ยากลำบาก เรามีเงินเราก็เลยส่งไปให้เขาใช้นี่ก็คือบุญอุทิศเราก็จะอุทิศบุญตอนที่เรามีโอกาสได้ทำบุญเช่นวันนี้เราได้มาทำบุญที่วัดเราก็มีโอกาสที่จะอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงนับไปแล้วได้นี่ก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ พอเราอุทิศบุญแล้วเราก็ได้ความสุขใจอิ่มใจกลับมาที่เราได้รู้ว่าเราได้ช่วยเหลือคนที่ล่วงนับไปแล้วให้เขาได้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขในขณะนี้เราก็แบ่งความสุขนี้ไปให้กับเขาเพราะเขาอาจจะหิวโหวยเหมือนกับคนที่ไม่มี ไม่มีอาหารคนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความหิวโหวยอดอยากขาดแคลนพอเราส่งเงินไปให้เขาเขาได้ไปซื้ออาหารรับประทานก็จะทำให้เขามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจ ที่เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเวลาเราทราบได้ยินว่าเขาไปทำบุญกันเราก็ร่วมอนุโมทนาแสดงความยินดี ชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่เรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญอีกข้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องทำกันก็คือการช่วยเหลือกันบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น เวลาที่เราเห็นใครเขาเดือดร้อนแล้วเราสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ความยากเดือดร้อนให้กับเขาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการสร้างความสุขใจอิ่มใจให้กับเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้อาจจะใช้กำลังกายเช่นเขาทำงานอยู่แล้วเราไปช่วย ทำงานเช่นที่วัดญาติโยมบางคนก็ช่วยล้างถ้วยล้างชาม เ, าเวลาที่รับประทานอาหารสาเสร็จแล้วเห็นกองถ้วยชามกองบเบือเบิ่มทางวัดก็มีลูกจ้างล้างอยู่คนสองคนผู้ที่เห็นก็มาช่วยเหลือช่วยบรรเทาความช่วยบรรเทางานที่หนักให้มันเบาลงเอ อันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราพบปะกับใครถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะทำให้คนอื่นเขามีความสุข ถ้าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเราจะทำให้คนอื่นเขาทุกข์ได้ทำให้เขารำคาญได้นั่นนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะเมื่อเราเห็นว่าเขามีความสุขจากการกระทำของเรา เราก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นบุญอีกอย่างหนึง่งบุญอีกข้อหนึ่งที่เราจะทําได้ถ้าเรามีโอกาสก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเช่นเราอาจจะช่วยกันบริจาคพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นธรรมะนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดา เพราะเพตนินจินดานี้ไม่สามารถสอนให้คนฉลาดสอนให้คนหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ <c oughs> ธรรมะนี้สามารถสอนให้คนฉลาดสอนให้คนหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ในขณะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราอาจจะ รู้จักวิธีดับความทุกข์แล้วพอมีคนเขามีความทุกข์ใจมาขอคำปรึกษาเราก็สอนเขาสอนให้เขาปล่อยวางเพราะความทุกข์ใจของเราเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆพอไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่บางทีเราไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเรา เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราพอเราสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีธรรมะแล้วเราสอนเขาสอนเขาว่าที่คุณทุกข์ใจตอนนี้เพราะคุณไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของคุณพอคุณเสียสูญเสียสิ่งนั้นไปคุณก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เพราะคุณอยากจะได้กลับคืนมาถ้าคุณยอมรับว่ามันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วมันไม่ได้เป็นของคุณอย่างแท้จริงถ้ามันเป็นของคุณมันก็ต้องอยู่กับคุณต่อไปถ้ามันไม่อยู่ก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นของคุณแล้วก็ให้มันไปเมื่อก่อนเราไม่มีเราก็อยู่ได้เวลาเราเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าเปล่าไม่ใช่เหรือเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลย ตอนที่เรามาเกิด heard, เราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่มีอะไรแม้แต่เสื้อผ้าเราก็ไม่มีเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนแต่พอเรามาหาเสื้อผ้าได้แล้วพอเราสูญเสียเสื้อผ้าไปเรากลับมาเดือดร้อนนี่เป็นเพราะความหลงของเราเองเป็นความหลงว่าเราไม่มีเสื้อผ้าเราก็อยู่ได้เมื่อเราเกิดมาเราก็ไม่มีเสื้อผ้าเราก็อยู่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีเสื้อผ้าตอนนี้เราก็อยู่ได้ ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าเราจะสูญเสียเสื้อผ้าไปทั้งหมดอาจจะสูญเสียชุดที่เรารักไปเท่านั้นเองเราก็เดือดร้อนใจขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีเสื้อผ้าชุดอื่นไว้สวมใส่ต้องเยอะแยะเพราะความหลงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้และความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับคืนมามันก็เลยทำให้เราทุกข์ใจเศร้าใจเท่านั้นเอง นี่ถ้าเรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจเวลาใครมีความทุกข์ใจก็ามาถามเราเราสอนธรรมะให้กับเขาได้เราก็ได้ทําบุญการให้ธรรมะก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีธรรมะเองแต่เรารู้ว่าหนังสือดีๆหนังสือธรรมะดีๆมีอยู่ แล้วเราอยากจะให้คนมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้เราก็เอาไปแจกถ้าเรามีเล่มสองเล่มเราเสียสละไปก็ได้ถ้ามีคนที่ก็อยากจะได้ธรรมะอยากจะเรียนรู้ธรรมะเรามีหนังสือธรรมะอยู่ที่เราอ่านแล้วเราไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้เราก็เสียสละให้เขาไปอันนี้ก็เป็นการทําบุญให้ธรรมะ หรือถ้าเราอยากจะให้เยอะๆเราก็ไปพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันอย่างหนังสือที่ตั้งอยู่ที่สารานี้ก็เป็นหนังสือที่มีคนมีจิตศรัทธาพิมพ์มาแจกกันเพราะเขาเห็นคุณค่าของธรรมะว่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจช่วยบำบัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้แล้วการให้ธรรมะก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่ง นี่คือธรรมะนี่คือบุญชนิดต่างๆที่เรียกว่าบุญเสริมคือถ้าเรามีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์ที่เราจะทำบุญแบบนี้ได้เราก็ทำบุญเช่นมีเพื่อนฝูงบอกว่าจะไปทอดกะถินกันออกพรรษาเราจะไปทอดกะถินกันเราก็สาธุไปกับเขาอย่าไปพูดให้เขาควายเขวบอกอย่าไปเลยไปเที่ยวกับเราดีกว่า เราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ดีเพราะเขาจะทำให้เขาไม่ได้ทำบุญการไปเที่ยวสู้การไปทำบุญไม่ได้ฉะนั้นเวลาใครจะไปทำบุญนี้อย่าไปอย่าไปชักใบให้เหลือเสีย mm hmm. ควรจะสนับสนุนให้เขาได้ทำตามที่เขาปรารถนาหรือที่ถ้าเขาทำมาแล้วเขากลับมาเล่าให้เราฟังเราก็แสดงอนุโมทนาไปบอก ดีใจด้วยที่เห็นคุณได้ทาบุญที่เห็นนันคุณจะได้ไปสวรรค์เพราะการทาบุญนี้จะส่งให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองัองเวลาที่เราเห็นใครทาบุญนี้เราต้องแสดงความยินดีดีใจไปกับเขาอย่าไปขัดขวางอย่าไปพูดให้เขาเสียกําลังใจกวรจะส่งเสริมให้เขามีกําลังจิตกําลังใจ คือบอกให้เขารู้ว่าไปถูกทางแล้วการทําบุญนี้ดีที่สุดดีกว่าการไปทําะไรต่างๆที่เราทํากันอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทําบุญเพราะบุญเท่านั้นที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราในทางบวกแต่การกระทําต่างๆที่เราทํานอกจากบุญแล้วมันมีผลกระทบในทางลบต่อจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เราไม่รู้สึกตัวว่าการกระทาต่างๆที่ไม่ใช่การทำบุญนี้เป็นการส่งเสริมให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราทำตามความอยากกันําความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้นั่นอยากมีนี่ความอยากไม่เสียสิ่งนั้นไม่อยากเสียสิ่งนี้ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่จะทาให้เราต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆแต่การทำบุญนี้จะเป็นการระ ง, งับความอยากต่างๆเหล่านี้ให้มันมีน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดนั่นเองนี่คือบุญเสริมคือถ้ามีโอกาสถ้าอยู่ในเหตุการ์ก็ทำไปถ้าไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ทำก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไร ส่วนบุญที่ต้องทำอยู่เป็นประจำนี้ไม่ทำไม่ได้ก็มีอยู่ห้าเริ่มต้นที่การมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญข้อแรกที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้บอกทางสู่สู่สวรรค์สู่นิพพานให้กับเรานั่นเองความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรก็เห็นว่าตายแล้วต้องไปเกิดต่อตายแล้วไม่สูญ ผู้ที่ตายคือร่างกายแต่ใจที่มาใช้ร่างกายเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับลูกน้องไม่ได้ตายไปคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดใหม่จะไปเกิดที่ใดก็อยู่ที่บุญและบาปที่ทำไว้ในคณะที่มีชีวิตอยู่ บุญก็มีจริงบาปก็มีจริงผลของบุญของบาปก็มีจริงและการที่จะให้ใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่เราต้องมีให้เกิดขึ้นมาในใจเราเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องมันก็จะทำให้เรามีความคิดมีการกระทําที่ถูกต้องนั่นเอง ถ้าเรามีความเห็นว่าตายแล้วศูนเราก็ไม่คิดจะต้องทําบุญกันทําไปทําไมทําแล้วไม่ได้อะไรมีแต่เสียเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ไม่ดีกว่าเลยเอามาทําบุญเราไม่ได้อะไรเลยของก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้นั้นมันเป็นอะไรจากการทําบุญถ้าเรา มีค่ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราตายไปแล้วเราเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะต้องไปต่อจะไปที่ไหนก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้ น, นี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่เชื่อว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดใหม่หรือตายไปแล้ว เราอาจจะไปสวรรค์หรืออาจจะไปอบายไปนรกตายไปแล้วเราหรือเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็ต้องพยายามสร้างความเชื่อสร้างความเห็นนี้ให้ได้วิธีที่จะสร้างก็คือต้องไปหาคนที่เขาเห็นคนที่เขาเห็นการเวียนว่ายตายเกิดคนที่เขาเห็นนรกเห็นสวรรค์คนที่เขาเห็นนิพพานคนที่เขาเห็น เห็นผลของบุญของบาปว่าจะส่งให้ไปอยู่ที่ไหนบ้างคนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่เองหรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เอาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจดจาเอาไว้ไวในพระไตรปิฎกนี่มาเป็นผู้ที่สอนเราก็ได้ถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดี ได้ศึกษาจากพระทาคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือศึกษาจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเราจะได้รับคำยืนยันจากท่านเหล่านี้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดสวรรค์มีจริงนรกมีจริงสวรรค์เกิดจากการทำบุญนรกเกิดจากการทำบาปการเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาการยุติการเว้นว่ายตายเกิดเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานี่จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นบุญที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเหมือนกับเป็นการชี้บอกทางให้เรารู้ว่าเราควรจะไปทางไหนนั่นเองถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเราก็บอกเราก็คิดว่าไปทางไหนก็ได้เหมือนกันเพราะตายแล้วก็ศูนย์เวลาตายแล้วทำบาปก็ไม่ได้รับผลบาปทำบุญก็ไม่ได้รับผลบุญ ยิ่งทำบุญทำบาปก็มีผลเท่ากันจะทำอะไรก็ทำได้อย่างมากถ้าทำบาปทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกจับก็ไม่ติดคุกติดตารางหรือว่าถ้าตายไปแล้วเขาก็ไม่มาจับไปติดคุกติดตารางอีกต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราไม่เชื่อไม่ถ้าเรายังเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีทําบุญแล้วไม่ได้อะไรทําบาปแล้วไม่ได้อะไรเราก็จะทําอะไรตามอําเภอใจนล้ใจของเราส่วนใหญ่ก็มักจะใฝ่ต่ําเพราะสิ่งที่มีอยู่ในใจที่ดึงใจเราไปนั้นมันจะดึงเราไปทางต่ําเพราะมันต้องการสิ่งต่างๆมา ให้ความสุขกับใจนั่นเองคือตันหาความอยากอยา ก, ายอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขก็จะหาด้วยวิถุกวิถีทางถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะทำบาปคนจึงทำบาปกันคนจึงลักขโมยกันคนจึงทำผิดศีลผิดธรรมกันเพราะความอยากในใจ อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องหาวิธีที่จะทําให้ได้เงินทองอย่างง่ายดายรวดเร็วอและมากมา ก, ก็ไม่มีวิธีใดดีเท่ากับการทําบาปนั่นเองนี่ถ้าเป็นคนที่ไม่ที่มีไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่กลัวบาป อย่ากล้าทำบาปกันจะไม่ทำบุญเพราะทำไปแล้วไม่ได้อะไรทำไปให้เสียเวลาทำไม yeah. Yeah. ถ้ามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องต้องรีบควรรีบแก้ไขาเสียขอให้รู้ว่ากำลังมืดบอด <Yeah. S 1> กำลังจะถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้ไปทำบาป <Yeah. S 1> หลอกให้ไปเวียนว่ายตายเกิดหลอกให้ไปติดอยู่ในอบาย ตายไปแล้วจะไม่ได้ไปที่ดีไม่ได้ไปสู่สุขคติจะไปแต่ทุกขคติคือไปอบายสี่สถานได้แก่เดราฉานเปรตอสุรกายและนรกอย่างนั้นถ้าเรายังมีความเห็นที่ไม่ไม่ถูกต้องยังไม่ยังไม่เห็นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเกิดตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาป ก็หมั่นเข้าหาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็นํามาสู่บุญขั้นที่ข้อที่สองก็คือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมนี้เป็นบุญเพราะจะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐินั่นเองหนึ่งในอั น, นิสงของการฟังเทศฟังธรรมก็คือจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอั น, นิสง์ของการฟังธรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือจะทำให้เราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะไม่ได้ยินกันถ้าเราไปไปอยู่ไปฟังที่อื่นไปศึกษาที่อื่นไปเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่มีที่ไหนเขาสอนเรื่องทำบุญเรื่องทำบาปเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย ต้องมาวัดต้องมาฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นนี่คือธรรมที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราจะได้ยินเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมกันและเป็นของจริงคำว่าธรรมนี่ก็คือความจริงสิ่งที่พุทธเจ้าสอนทุกอย่างนี้เป็นความจริงหมดแต่สาหรับพวกเราฟังแล้วเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของอของอจินตนาการเรื่องเรื่องของโกหกหลอกลวง พอไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนนักวิทยาศาสตร์ส่งยานอวากาศขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไม่มีสวรรค์เจาะลงไปในพื้นดินก็ไม่มีนรกมีแต่น้ามันก็ เ, เลยไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันอันนี้ต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากผู้ เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นการเวียนว่ายตายเกิดคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงเหล่านี้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับจิตใจของพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดกันในพบน้อยพบใหญ่ในพบในกามาพบในรูปะพบในอรูปะพบขึ้นขึ้นลงลงไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เรากระทากัน ท่านรู้แล้วท่านก็มาสั่งสอนพวกเราให้รู้ว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันและเราสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามาทําตามที่พระองค์ได้ทรงกระทำํำเกิดมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญข้อที่สข้อที่สี่ข้อที่ห้าที่เราต้องมาทํากันอ ข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีก็ต้องฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้เห็นมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันเพื่อที่จะได้เป็นคนเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงการกระทาที่เป็นคนเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เอง อันนี้ก็เป็นบุญข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าที่เราควรจะทำกันอย่างสม่าเสมอทากันทุกวันฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันทำทานกันทุกวันรักษาศีลกันทุกวันภาวนากันทุกวันจะเริ่มต้นก็ทําจากน้อยไปหามากก่อนเพราะเราก็ไม่มีกําลังที่จะทําได้มาก เพราะเราตอนเริ่มต้นก็เป็นเหมือนเด็กอนุบาลเวลาเรียนเข้าโรงเรียนเด็กอนุบาลนี้ก็จะไม่สามารถไปเรียนห้องชั้นสูงสูงได้ชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมนี้ยังขึ้นไปไม่ได้ต้องอยู่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปการทําบุญทำทานการฟังเทศน์ฟังธรรมการรักษาศีลการภาวนาของพวกเราก็ ต้องทำจากน้อยไปหามากทำไปตามกำลังก่อนเช่นทำทานเราทำได้เท่าไหร่สัดส่วนของการทำทานของเราต่อทรัพสมบัติที่เรามีอยู่เช่นทำได้ร้อยละห้าหรือร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเราควรจะแบ่งเงินนี้ออกมาไว้สำหรับทำบุญทำทานเลยเช่นเดือนหนึ่งเราได้มื่นหนึ่ง เ, เราจะทำร้อยละเท่าไหร่แบ่งออกมา ร้อยละสิบก็เอาไว้พันหนึ่งไว้สําหรับทําบุญเงินนี้ไม่แต่ต้องเอาไว้ทําบุญอย่างเดียวหรือว่าถ้าเรามีกําลังมากขึ้นสามารถทําเพิ่มได้จากร้อยละสิบก็เพิ่มไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบไปตามลําดับขึ้นอยู่กับการเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติของธรรมของพวกเรา พอเมื่อเราทำแล้วใจของเราจะมีกำลังที่จะทำบุญมากขึ้นที่จะรักษาศีลได้มากขึ้นที่จะภาวนาได้มากขึ้น เ, ออเมื่อเราสามารถทำได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าเงินทองนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญกับจิตใจเลยเงินทองนี้มีความสำคัญต่อบร่งกายเท่านั้นเองสําหรับจิตใจนี้เงินทองไม่ได้เป็นคนกับเป็นโทษเสียมากกว่า เพราะถ้าเราเอาเงินทองไปซื้อความสุขตามความอยากของเรามันเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสพการเสพยาเสพติดมันดีที่ไหนติดยาแล้วมันก็จ ะ, จะต้องคอยหามาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่มียาเสพก็จะทุรนทุรายจถ้าเราได้เริ่มทำบุญทำทานได้เริ่มรักษาศีลได้ภาวนา ทำใจให้สงบนั่งสมาธิได้เราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงว่ามันอยู่ในใจอยู่ที่ความสงบของใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาของเรานั่นเองเมื่อเราได้สัมผัสกับผลที่เราได้รับจากการทำทานรักษาศีลภาวนามันก็จะทำให้เราเ ทำมากขึ้นเพราะยิ่งทำมากก็จะยิ่งได้ความสุขมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเงินทองไปใช้แบบที่เราเคยใช้มาก่อนเมื่อก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเราก็ต้องใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเช่นไปเที่ยวกันไปชอปปิ้งกันไปทำอะไรไปซื้ออะไรที่เราอยากได้กันเพราะเวลาที่เราได้ใช้เงินแล้วเรามีความสุขกัน แต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติด เ, เวลาได้เสพก็มีความสุขพอฤทธิ์ของยาหมดลงมันก็ปล่อยให้เราหิวโหวยขึ้นมาต้องเสพอีกต้องซื้ออีกต้องใช้เงินอีกแล้วถ้าไม่มีเงินใช้ก็จะเดือดร้อนจะทุกข์จะเหมือนกับคนที่จะซื้อยาเสพติดแล้วไม่มีเงินซื้อยาเสพติดก็จะ ทุลนทุายอยู่อย่างไม่มีความสุขและอาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้ไปหายาเสพติดมาเสพต่ อ, อการใช้เงินตามความอยากก็เหมือนซื้อยาเสพติดเพราะว่าซื้อแล้วมันติดซื้อของแล้วมันติดซื้อแล้วอยากได้อยู่เรื่อยๆอคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเสื้อผ้ามีเต็มบ้านเลย รองเท้าไม่รู้กี่คู่กระเป๋าไม่รู้กี่ใบเ<น>พราะมันติดพอซื้อแล้วมันติด<น>มันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆมันสุขตอนที่ซื้อเท่านั้นเองแต่พอซื้อมาแล้วมันก็หมดความหมายแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้<น>ซื้อทีละใบสองใบ<น>เดี๋ยวออกไปข้างนอกทีไร<น>เห็นของทีไรก็อยากจะซื้อขึ้นมาทันทีนซื้อมาแล้วก็ไม่ได้มาใช้อะไรซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในบ้า น, นใช้บ้างตามตโอกาส แต่ไม่ได้ได้ความสุขจากการใช้มันหรอกความสุขได้จากการที่ได้ซื้อมันเท่านั้นเองเวลาได้ซื้อนี่มีความสุขมากแต่พอซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเดียวความสุขนั้นก็หายไปอยากได้ความสุขใหม่ก็ต้องซื้อใหม่นี่คือถ้าเรามาทำบุญทำทานแทนเอาเงินที่เราจะไปซื้อของพุ่มเฟยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นต่างๆ เอามาทำบุญทำทานเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่หิวไม่โหยไม่อยากจะซื้ออะไรไม่อยากจะได้อะไร <c oughs> แล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่ทำบุญทำทานนี้จะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเพราะว่าจะเวลาจะทำอะไรก็จะไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนทำบุญนี้อยากจะให้คนอื่นมีความสุขกันอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะให้เขามีความสุขกันก็จะทำให้เขาจะทำใม้มีความเมตตาจะไม่อยากจะทำบาปเวลาจะทำอะไรจะต้องคิดดูก่อนว่าทำแล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ทำดีกว่าคนทำบุญก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดาย คนที่ทำไม่ทำบุญนี้จะรักษาศีลได้ยาก เ, ออเพราะคนที่ไม่ทำบุญนี้จะไม่คิดถึงหัว อ, อกของคนอื่นออจะคิดแต่หัว อ, อกของตอนเองอยากจะหาความสุขให้กับตนเองเพียงอย่างเดียวเวลาอยากจะทำอะไรแล้วทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนก็ไม่สนใจออขอให้ตนเองมีความสุขก็แล้วกัน อ, อ, อันนี้ ความแตกต่างระหว่างใจของผู้ที่ทําบุญกับผู้ที่ไม่ทําบุญมันจะส่งผลให้ต่อต่อการให้เขาได้ก้าวขึ้นสู่การกระทําที่ดีขึ้นคือการรักษาศีลถ้าไม่ชอบทําบุญไม่ทําบุญแล้วจะรักษาศีลไม่เป็นจะไม่ชอบรักษาศีลแต่คนที่ชอบชอบทําบุญคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆนี้จะชอบรักษาศีล าะจะไม่อยากที่จะทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองก็ <c oughs> จะสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสอนนอกจากการทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลศีลก็มีศีลห้าศีล8 เ, เบื้องต้นก็รักษาศีลห้าก่อนถ้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็หัดรักษาศีลห้าไปก่อน พอรักษาสีหน้าได้แล้วก็มาหัดรักษาสีแปดอาจจะเริ่มต้นในวันพระก่อนก็ได้สีแปดวันพระก็หยุดอมาเปลี่ยนจากสีห้ามาเป็นสีแปดเพิ่มอีกสามข้ อ, อถ้ารักษามาได้ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นตรงไหน อ, อยู่ที่ว่าเราต้องมีเวลาที่เหมาะสมการจะรักษาสีแปดได้นี้ ต้องรักษาในเวลาที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนนี้มันยากที่จะรักษาได้งนั้นคนที่จะรักษาศีลแปดจึงมักจะไปอยู่วัดกันวันพระเป็นวันหยุดทำงานสมัยก่อนวันหยุดทำงานเป็นวันพระสมัยนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดทำงานพอดีวันนี้ตรงกับวันที่เราหยุดทางานพอดี แต่วันพระตามตารางเดิมนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปก็จะตรงกับวันจันทร์เพราะเขาใช้ตารางของจันทรคติคือการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์เป็นการนับวันส่วนสมัยนี้เราใช้การนับวันด้วยการนับตามอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมี7ดวันแล้วเรากําหนดวันหยุด การทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันดังนั้นสมัยนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดทํางานของเราเช่นต่อไปวันพระตรงกับวันจันทร์เราต้องไปทํางานเราก็ไม่สามารถรักษาศีลแปได้ถ้าเรายึดตารางเดิมอยู่คือตารางตามตารางของจันทลคติตามของโบราณเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดทํางานเอ เพื่อที่เราจะได้รักเราจะได้มีวันพระทุกอาทิตย์และเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติทาบุญได้ทุกอาทิตย์นั่นเองถ้าเราเอาตารางแบบของโบราณมาใช้เดี๋ยวพอวันพระตรงกับวันจันเราก็จะไม่ได้ทาบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาแล้วแล้วเราก็จะต้องรอให้มวลมวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง กว่าจะกลับมาอีกรอบก็อาจจะเดือนสองเดือนเดือนกว่าสองเดือนวันพระถึงจะกลับมาตรงกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทีหนึ่งเราถึงจะมีเวลามาทําบุญกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรายึดวันหยุดทํางานของเราคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระเราก็จะมีวันพระทุกอาทิตย์เราก็จะได้ทําบุญทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาทุกอาทิตย์ วันพระเราก็มารักษาศีลแปดมาอยู่วัดแล้วก็มาภาวนาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดการภาวนานี้มีสองขั้นขั้นแรกให้ทําใจให้สงบขั้นที่สองหลังจากที่ใจสงบแล้วใจก็พร้อมที่จะศึกษาความจริงก็จะสอนใจให้เห็นความจริง ที่เกี่ยวข้องกับใจเมื่อใจเห็นความจริงใจก็จะได้หายหลงหายยึดติดหายทุกข์กับสิ่งต่างๆได้อันนี้เกิดขึ้นจากการที่เร า, เาทำกันอย่างสม่าเสมอทานนี้เราก็กาหนดเป็นเงินเดือนไปเลยก็ได้ทำทุกวันเช่นเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราแบ่งไว้พันหนึ่งไว้สาหรับทำทำบุญ จะทำเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โอกาสเราไปวัดเมื่อไหร่แล้วก็เอาเงินที่เราแบ่งไว้นี้ไว้สำหรับเอามาทาบุญศีลห้าเราก็รักษาในวันธรรมดาวันที่เราไปทำงานเราก็รักษาศีลห้ากันภาวานาเราอาจจะมีเวลาบ้างตอนที่กลับมาบ้านก็ภาวานาได้ตอนตอนนอนถ้าเราตัดกิจกรรมที่ไม่จาเป็นลงไปเช่นดูหนังดูละคร เอเวลามานั่งสมาธิกันก่อนนอนและหลังจากที่เราตื่นตอนเช้าเราก็นั่งสมาธิก่อนไปเตรียมตัวไปทํางานก็ได้หรือถ้าเราเข้มข้นก่อนนั้นเวลาช่วงพักทํางานกลางวันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ถ้ามีที่ไหนสงบเราก็ไปนั่งทำใจให้สงบไปก็ได้เราก็จะได้ภาวนาแล้วพอมาเป็นวันหยุด แทนที่เราจะไปเที่ยวกันเราก็ไปวัดกันแทนะไปทําบุญที่วัดเอาเงินที่เราแบ่งไว้สําหรับทําบุญนี้ไปทําบุญที่วัดได้แล้วเราก็ไปรักษาศีลแปดที่วัดกันแล้วเราก็จะมีเวลาภาวนาได้อย่างเกือบทั้งวันทั้งคืนหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหลังจากที่เราเกตเสร็จกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายเราก็จะมีเวลาที่จะมา จะลานสติเดินจงกรมควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเรามีเวลาแล้วเราก็มาหาที่นั่งสงบแล้วก็นั่งทําใจให้สงบควบคุมความคิดต่อถ้าเราสามารถควบคุมความคิดเวลาเรานั่งนั่งสมาธิใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะมีความสุข จะรู้ว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวของไม่ต้องมีแฟนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ <_ D> ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้ไม่ต้องการอะไรเพราะไม่มีความสุขอันไหนจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองถ้าเราได้สัมผัส ก, กับความสงบแบบนี้ความสุขแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีพลังมีฉันทาวิรยิยะ มีความยินดีมีความเพียงที่จะทำบุญเพิ่มมากขึ้นจะทำทานมากขึ้นเพราะไม่ต้องใช้เงินมากแล้วเพราะเรามีความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาทำบุญเพิ่มได้มากขึ้นแล้วเราก็จะรักษาศีลบ่อยขึ้นต่อไปเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินมากแทนที่เราจะทำงาน ห้าวันเราอาจจะลดการทำงานเหลือ4วันเหลือสมวันก็ได้ถ้าเราเป็นงานที่เราลดไม่ได้เราก็เปลี่ยนงานถ้าเป็นงานประจาที่ต้องไปทำทุกวันเราก็เปลี่ยนงานมาทำงานอิสระดูเราก็เลือกเวลาทำได้สมัยนี้คนเ็เดี๋ยวนี้สามารถทำงานที่บ้านได้เดี๋ยวนี้เขาเรียกออนไลน์ขายของทางอินเทอร์เน็ตกัน อยากจะขายเวลาไหนก็ขายได้เวลาไหนไม่อยากจะขายก็หยุดได้อันนี้ก็จะมีเวลามาปฏิบัติมีวันหยุดเพิ่มมากขึ้นจากอาทิตย์ละสองวันก็อาจจะเป็นสามวันสี่วันก็จะได้อยู่วัดนานขึ้นแทนที่อยู่ได้แค่วันสองวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสามวัน4ี่วันยิ่งทำมากความสุขใจก็ยิ่งมากเดี๋ยวก็อยากจะอยู่ไปตลอดจะไม่อยากกลับบ้าน พรกลับบ้านทีไรมันวุ่นวายสู้อยู่วัดไม่ได้อยู่วัดแล้วมีความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปก็ไม่กลับบ้านอยู่วัดไปตลอดถ้าอยู่วัดไปตลอดได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวไม่เกินเจปีก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทส่งรับประกันเอาไว้ถ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยจะจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจดเดือนก็เจปีแต่ต้องอยู่ที่การปฏิบัติที่เข้มข้นเต็มร้อยคือปฏิบัติตลอดเวลาไม่เอางานการแล้วงานการเมื่อก่อนทำอย่างนี้ไม่ต้องการแล้วอย่างนี้ต้องการทำบุญอย่างเดียวต้องการทำทานถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปรักษาศีลภาวนาเต็มร้อย รับดองได้ไม่เกินเจปีก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโอากาสอย่างนี้ไม่มีนานๆจะมีสักครั้งเหมือนกับสินค้าที่เขาลดราคานานๆเขจะมีการลดราคาแบบสเอร์เซเมื่อก่อนขายพันหนึ่งเดี๋ยวนี้ขายร้อยเดียวานานๆจะมีโ อ, อกาสอย่างนี้สักครั้งเหมือนกันถ้าพวกเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่มีวันที่จะตัดภพตัดชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แบบนับไม่ถ้วนนี้ได้เราจะไม่สามารถบรรุหลุดพ้นจากพันิพาณได้ภายในเจ็ดปีแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนนี้ก็เหมือนกับมีการลดลดลดลดราคาสินค้านานๆก็จะลดราคาสักครั้งหนึ่งแทนที่จะขายพันหนึ่งก็เอาแค่ร้อยเดียว อันนี้ก็เหมือนกันแทนที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นกลับเป็นกันเดี๋ยวนี้ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากอันนี้คือเรื่องของการมาวัดในวันพระมาทําบุญกันมาทําบุญเพื่อกําจัดความทุกข์กําจัดการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้เราได้หลุดพ้นให้เราได้อยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมสุข ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเราขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานังอุ ป, ปกาปติอิทิตังปัธิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสัมิตเจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธาเมณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตระายุสุขีทีคายุโกภวะ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 ถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากที่เลิกแล้วขออนุญาตอยากเข้ามาถามถ้าอยากไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษแล้วส่งเข้ามาจะมีผู้อ่านคำถามให้อันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเฟ e บุ o กเข้ามาทั้งหมดสามรอคน y o u t u หนึ่งห้าสิบห้าคนวิทยุออนไลน์สิบามคน และฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยสิบเจ็ดคนครับผมถ้ามีคำถามก็อ่านไปก่อนก็ไนดะ้ใครอยากจะถามก็ยกมือจะส่งไมโครโฟนไปให้คำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะข้อหนึ่งภาวะตกจากที่สูงในขณะทำสมาธิคืออะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไร อ๋อเป็นขณะที่จิตจะเข้าสู่ความสงบแก้ไขไม่ได้เพราะเราต้องการให้มันเข้าสู่ความสงบในเวลาเข้าสู่ความสงบมันก็จะมาแสดงอาการเหมือนตกจากที่สูงลงมาก็ให้รู้เท่านั้นเองแต่ที่สูงที่ปลอดภัยจะมีเบาะหนาๆรองรับอยู่ข้างล่างไม่เจ็บตัวล่วงลงมาแล้วจะอิ่มใจสุขใจเบาใจสบายใจให้ ไ, ไม่ต้องกลัวอ ถ้าได้ภาวะอย่างนี้ถือว่าจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วแล้วพอมันสงบแล้วก็อย่าไปทำอะไรพยายามประคองให้มันอยู่ในความสงบไปนานๆานยังไม่ต้องไปพิจารณาทางปัญญาเรากำลังหัดยืนหัดเดินอยู่ยังอย่าเพิ่งไปวิ่งเพิ่งเรากำลังคานเพิ่งรู้จักยืนอย่าเพิ่งไปเดินพยายามยืนให้มันได้แบบไม่ล้มก่อน พยายามฝึกสมาธิไปบ่อยๆมากๆก่อนให้มีความชำนาญให้อยู่ได้นานๆให้เข้าได้ทุกเวลาเข้าได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาทางปัญญาก็ต้องรอตอนที่ออกจากสมาธิตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ไม่ให้ทําอะไรให้จิตพักผ่อนพอจิตถอนออกจากความสงบเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วทีนี้เราถึงค่อย เอามาพิจารณาไตรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการ32สองพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาความเสื่อมของอนิจจังทุกขังอนัตตาข้อสองค่ะทำสมาธิอยู่และมีภาพเหมือนจอทีวีซซ่าคลื่นรบกวนคืออะไรและแก้ไขอย่างไรคือเราไม่อยู่กับพุทโธเราไม่อยู่กับลมนั่นเองนะต้องให้อยู่กับลมและอยู่กับพุทโธ เวลามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองตอนจิตมันจะชอบผลิตอะไรแปลกๆเวลาที่นั่งสมาธิอย่าไปสนใจแสดงว่าสติเรามีกำลังไม่มากมันจึงสามารถที่จะผลิตอะไรมาให้เราดูได้เราไม่ต้องการดูอะไรเราต้องการความว่างต้องการความสงบจะว่างจะสงบได้ก็ต้องมีสติอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ หรืออยู่กับลมไปเรื่อยๆอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเลือกจะดูลมก็ดูลมไปเลือกจะพุทธโธก็พุทธโธไปหรือบางท่านอยากจะเอาพุทธโธกับลมมารวมกันก็พุทเข้าโรออกไปก็ได้คำถามจากผู้รับฟังบนเข่าท่านที่สองค่ะกลาบนมัสการค่ะพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าคนละภาษาคนละศาสนาเวลาเราทาบุญแบบชาวพุทธ เราอุทิศให้คนที่ตายแล้วเขาจะได้รับไหมคะขอบคุณค่ะได้บุญเหมือนกันบุญไม่ได้อยู่ที่าศาสนาอยู่ที่ใจใจนี่เป็นสากลเหมือนร่างกายนี่ก็เป็นสากลร่างกายฝรั่งร่างกายคนไทยเข้าโรงพยาบาลหมอกรักษาได้เหมือนกันใจก็เหมือนกันใจทำบุญใจจะนับถือาศาสนาใดเวลาใจทำบุญก็สามารถอุทิศบุญให้ก่ผู้ที่ล่วงรับไปได้ ผู้ที่ร้องรับจะเป็นศาสนาไหนก็รับได้เหมือนกันคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากทางอัจากคุณอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถสมัยนี้มีการทำบุญด้วยการโอนเงินตามวัดต่างๆที่ท่านต้องการปัจจัยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปถึงวัดโอนเงินแบบนี้ได้บุญไหมเจ้าคะได้พอกดปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยบุญแบบยุคไฮเทคบุญแบบฉับพลัน มันก็เหมือนกับเวลาไปวัดแล้วเราก็หยอดเงินใส่ตู้หรือถวายกับพระไปก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไปเองก็ได้คำถามจากผู้รับฟังบนข่าวค่ะฝึกพ่อสงบจะมีอาการสั่นแรงเหมือนเครื่องซักผ้าทุกคนก็สังเกตเห็นชัดเพราะสั่นแรงหรือถึงแม้เวลาที่ฟุ้งสั้นนา น, า น, าน พอมีสติว่าฟุ้งซ่านนานแล้วก็เกิดภาวะนี้เหมือนกันควรทําอย่างไรคะก็ต้องพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธก็ต้องพุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวมันก็หายสันบางทีจิตมันเด้อจิตมันบางทีมันจะไม่ยอมสงบมันก็เลยต่อต้านต่อสู้ได้เหมือนกั น, นเราต้องฝึกสติให้มีกําลังมากๆ เวลาที่มันต่อสู้เราก็ใช้สติช่วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปกังวลกับอาการสั่นของมันเดี๋ยวพุทโธก็พอพุทโธรัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายสั่นเองคำถามจากคุณวลัยค่ะเวลาฝึกสติเจริญภาวนามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยไม่หวนไหวกับเหตุการณ์ใดๆแสดงว่าการฝึกสตินี้ได้ผลใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนค่ะ ถ้าใจเราสงบก็ถือว่าได้ผลไม่หวั่นไหวต่อต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจใจจะกลายเป็นหินถ้าไม่ได้ภาวนาไมไ่ได้ปฏิบัตินี้ใจจะเป็นเหมือนอปุยนุ่นนุ่นนีเ่เวลาลมพัดมาเบาๆมันก็ปิวไปแต่ถ้าฝึกจิตไปต่อไปมันจะหนักจะเป็นเหมือนก้อนหินลมพัดมาก็จะไม่ขยับ พยายามฝึกไปให้บ่อยๆฝึกสติให้มากๆสตินี้จะประครับประคองนักษาให้จิตตั้งอยู่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจคำถามจากคุณรนณชัยนะจ๊ะฟังธรรมหลวงพ่อชาหลวงพ่อหลายๆท่านมาสิบกว่าปีใจอยากบวชไม่อยากเกิดแล้วแต่มีห่วงใหญ่คือลูกยังเล็ก ควรดำเนินชีวิตอย่างไรต่อครับอ๋อก็ฝากให้คนอื่นเลี้ยงก็ได้นี่ถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาจะอยู่ยังไงเขาก็อยู่ของเต่อไปได้อันนี้มันอยู่ที่เราไม่กล้าตัดเองตัดได้ตัดแบบไม่ไม่ได้หมายถึงโหดร้ายทารุณเราก็ต้องจัดการให้มันถูกต้องเช่นถ้ายังมีภรรยาอยู่ก็หาเงินสักก้อนหนึ่งให้ภรรยาไว เัียงดูลูกต่อไปเราก็ไปบวชพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นไหมพอได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกก็ไปเลยเขาก็อยู่วันได้ถ้าเกิดเราตายไปวันนี้แล้วเ็ า, าจะทำยังไงไม่คิดอย่างนี้บ้างคิดมุมกลับบ้างสิค้ า, า จ, จะดีใจที่เราตายก็ได้ภรรยาจะได้หาแฟนใหม่อยู่กับเรามันยากจนอาจจะไปหาแฟนที่รวยกว่าก็ได้ ถ้าเรายังอยู่เขาก็ไปไม่ได้คําถามจากคุณประทวนค่ะกลาบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราไปรักษาศีลแปดที่วัดแล้วเราเผลอไปยื่นของให้กับโยมผู้ชายเราจะผิดศีลไหมแล้วถ้าผิดเราต้องแก้ไขอย่างไรคะอ๋อไม่ผิดศีลหรอกมันเป็นเพียงมาตรการป้องกันไม่ให้ไปผิดศีลคือถ้าเราเอาของยื่นให้กับมือเดี๋ยวมือกับมืออาจจะไปแตะกัน พอแตะแล้วก็เหมือนไฟลบไฟบวกมาเจอกันมันก็จะช็อตขึ้นมาดะงนี้นเขาถึงไม่นิยมให้ผู้หญิงที่ถือศีลแต่ต้องเนื้อตัวของผู้ชายแม้กระทั่งเด็กทารกก็ไม่ให้แตะถ้าจะให้ของกันก็ให้วางไว้เช่นของพระก็ต้องวางไว้บนอาพระพระทอดผ้าแล้วให้ผู้หญิงเอาของวางไว้ที่ผ้าไม่ให้พระเอามือไปรับ พอมือไปรับเดี๋ยวมันไปแตะมือของผู้ให้ได้พอแตะแล้วมันไฟจะช็อตเข้าไง ไ, ไหมแต่ยังไม่ผิดศีลจะผิดศีลก็ต่อเมื่อไปร่วมหลับนอนกันนั่นศีลข้อข้อสของคนถือศีลแปดโดยจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครที่เวลามันไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วไฟมันช็อตเดี๋ยวมันลามปามเขวี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะทนไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องไปร่วมหลับนอนกัน พระอาจารย์คะหนูเลี้ยงหลานชายอะคะอ่ะอ่อก็อย่าถ้าถือศีลแปดก็อย่าไปอย่าไปจับต้องตัวเขาแต่ <คำ S 1> มันไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีอารมณ์กำหนัดยินดีแต่ถ้ามีต้องรีบหยุดคำถามจากคุณเทพธิดาค่ะดิฉันถือศีลแปดที่บ้านมีเด็กวัยรุ่นพูดจาเสียงดังดิฉันไม่พอใจเลยว่าเขา สินที่ฉันจะขาดไหมเจ้าคะสินจะเต็มไหมเจ้าคะอ๋อไม่ขาดหรกว่ากันได้บอกกันได้เตือนกันได้เพียงแต่พูดให้มันเรียบให้มัน เ, เรียบอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดแบบพูดปดอะไรทานองนี้พูดความจริงแล้วก็พูดแบบสุภาพเรียบร้อยพูดได้ตักเตือนกันได้ว่าเก่าบอกกันได้ครูบาอาจารย์ก็ดูดาบพระเนรหยุด ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทำอะไรผิดแท้งก็ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ทำกันได้ไม่เปนไม่ผิดศีลแต่อย่างไดคาถามจากคุณประทวนค่ะเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราจะรู้สึกว่าจิตหดตัวมาอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวมันเป็นอาการของอะไรคะอาจารย์ของจิตที่ต้องการจะพักเนี่ยจิตไม่อยากจะส่งออกมันเหนื่อยออกไปแล้ววุ่นวายก็อะไรมันก็ถอยเข้ามาเอง ถ้าเป็นคนที่เคยฝึกจิตมามันมันจะรู้ที่ครับที่จะที่หลบมันก็จะเข้ามาสู่ที่สงบคือเข้ามาข้างในค่ะำถามจากคุณพี โ, โกค่ะเรียนถามพระอาจารย์ที่กล่าวว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทางปล ong การให้ธรรมทานที่เป็นรูปธรรมคือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกับการฟังธรรมใช่ไหมครับ ก็ได้ทั้งสองแบบถ้าเราไม่ใช่การฟังธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมเป็นการไปรับธรรมการให้ธรรมะนี้ก็ได้หลายรูปแบบถ้าเรามีธรรมะเช่นเรามาบวชเรามาปฏิบัติเรามีธรรมะเราก็สอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ก็เป็นการแสดงธรรมอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ให้ธรรมทานทุกวันวันละสามสี่รอบตอนบ่ายสอนญาติโยม ตอนค่มสอนภิกษุสามเณรภิกษุณีตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตก็เลงยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นการให้ธรรมทานถ้าเราไม่มีธรรมะในตัวเราในใจเราเราก็เอาธรรมะดีๆของพระพุทธเจ้าก็ได้ของพระสาวกก็ได้ของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอามาพิมพ์เป็นหนังสือแจกจ่ายให้กันก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเพราะธรรมะนี่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่าตายเกิดได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะทำได้คำถามจากคุณเทศธิดาค่ะศีลแปดดื่มนมได้ไหมเจ้าคะ ก่อนเที่ยงวันก็ดื่มได้แต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มไม่ได้เพราะนมนมนี่ถือว่าเป็นอาหารแต่แล้วแต่วัดนีเดี๋ยวนี้วัดที่เขาถือว่าไม่เป็นอาหารก็ถือว่าเป็นยามั้งก็ดื่มได้แต่ถ้าวัดบางวัดก็ถือว่าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้หลังเที่ยงวันไปแล้วคําถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณนัทกิจ ผมฟังเทพพระอาจารย์ผ่านทางยูทูบด้วยความมีสติใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระอาจารย์คำถามตอนพระอาจารย์ให้พรผมจะได้รับพรจากพระอาจารย์หรือไม่ครับอ๋อได้พรมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองถ้าคุณได้ยินคงก็ได้รับพอรอยู่แล้วแต่ความจริงของพอรมันไม่เกิดหรอกที่เราบอกให้ญาติโยมจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาร ะ, ะนี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เราพูดหรอกเข้าใจไหมมันเกิดจากการกระทําของเรา พรนี้เป็นการแสดงธรรมแสดงเหตุและผลว่าถ้าทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาย่อมเจริญในอายุวันนะัสุขภะละนี่เราไปคิดว่าพระเป็นคนมอบอายุวันนะัสุขภะละให้กับเราพระไม่ได้มอบพระเป็นเพียงแต่บอกเหตุบอกผลเป็นการแสดงธรรมเท่านั้นเองว่าทําอย่างนี้จะได้อย่างนี้จะได้ความสุขความเจริญด้วยอายุวันณนะัสุขภะละ ญาติโยมก็เลยไปคิดว่าพระนี้ปา ก, กศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรแล้วก็จะได้อย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้ทําบุญคุณต่อให้เอาเทศที่เราให้พรทุกวันนี้มาฟังมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรจะได้ผลก็ต้องเกิดจากการเราทําบุญถ้าเราทําบุญแล้วพระจะให้พรหรือไม่ให้พรมันก็ได้ผลของมันในตัวของมันเองนั้นความจริงการให้พร น, นี้ไม่จําเป็นเลย เพียงแต่ว่าที่ต้องให้เพราะว่าไม่ให้แล้วโดนทักก็ได้ไหมอา้าวทำไมวันนี้ไม่ให้พอรอ้ก็ต้องให้บอกความจริงไม่เชื่อว่าให้ก็เท่านั้นให้หรือไม่ให้ก็เหมือนกันอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณทําหรือไม่ทําคุณทําบุญคุณก็ได้พรในตัวอยู่แล้วคุณไม่ทําต่อให้พระอรหันต์พระพุทธเจ้ามาให้คุณก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าได้ยังั้นคุณก็ไม่ต้องทําบุญเสียเวลามานั่งรอรับพอรอย่างเดียว คำถามจากคุณวลัยค่ะคำถามที่สองอาการที่เจริญภาวนาที่เป็นอุเบกขานี้ถือว่าเป็นฌานในระดับหนึ่งไหมเจ้าคะเอะ่เป็นฌานระดับสีนี้ก็เรียกอุเบกขาฌานสี่คำถามจากคุณเหมียวค่ะกอกราบเรียนถามว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งยังไม่เท่ากับการได้ถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง สังฆทานนั้นจะต้องเป็นเช่นไรและต้องมีอะไรบ้างคะคือการทําบุญกับสงฆ์นี่มันมีประโยชน์มากกว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้อยู่ไปไม่เกิน80ดสิปีท่านก็ตายถ้าทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ทําบุญกับพระรูปอื่นก็จะไม่มีพระมาบวชเข้าใจไหมก็จะไม่มีคนมาบวช ก็มาบวชแล้วอดอยากไม่มีคนเลี้ยงดูก็เลยต้องเลี้ยงพระพระสงฆ์เกิดพระหลายๆรูปพอเวลาพระพุทธเจ้าตายไปก็ยังมีพระสงฆ์มาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปพระสงฆ์นี่เป็นผู้มาสืบทอดศาสนาเป็นผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมมารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้รู้ พอรู้แล้วก็สามารถสอนแทนพระพุทธเจ้าได้จึงจำเป็นที่จะต้องถวายให้กับพระหลายๆรูปพระที่อยู่ในวัดทั้งหมดอย่าไปถวายให้กับเจ้าอาวาสองเดียวเดี๋ยวเจ้าอาวาสตายไปก็จบเพราะว่าไม่มีพระจะไม่มีลูกวัดเพราะไม่มีใครทำบุญกับพระลูกวัดก็ไม่มีใครจะมาบวชบวชแล้วก็อดอยากขาดแคนก็จะไม่มีใครอยากจะบวชกันงั้นเราต้องสงเคราะห์พระ ด้วยปัจจัยสคือจีวรเครื่องอาหารบิณฑบาตยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนี่คือสิ่งที่เราควรจะถวายให้กับสงคำว่าสงก็คือพระทั้งหมดที่มีอยู่ในาศาสนาเข้าใจไหมคำว่าสงเกลือส่วนรวมอย่าถวายเฉพาะบุคคลถวายเฉพาะบุคคลคนเดียวไม่ถวายส่วนคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็จะไม่อยู่กันน้อยใจก็จะเศึกกันไป เพราะไม่มีข้าวกินไม่มีใครใส่บาตรให้้ารูปอื่นใส่แต่พาะรูปนี้รูปเดียวเดี๋ยว้ารูปนี้ตายไปก็จบ<ม>ก็จะไม่มีใครมาทำหน้าที่สั่งสอนอบรมต่อไปพ<ม><ม>ระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ถวายของเป็นสังฆทาน<ม>ให้พระทุกรูปที่อยู่ในศาสนานี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเพราะท่านจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุแล้วได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไป คำถามจากคุณชิวค่ะถ้านั่งสมาธิพอนั่งไปนานๆกายนี้อาการเริ่มชาและชาหนักขึ้นพยายามตั้งใจว่าต้องดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรือดึงจิตมาที่หูที่นั่งหลับตาฟังธรรมอยู่แต่ก็ต่อสู้กับกายเจ็บปวดทางกายแบบนี้คือปกติใช่ไหมเจ้าคะต้องพยายามฝึกต่อไปอย่างไรเจ้าคะ ที่มันมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่สติเราไม่ค่อยดีถ้าสติเราดีจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดมันจะไม่ค่อยรู้สึกอาการเจ็บเท่าไหร่แต่ถ้าจิตใจเราวอกแวกคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวนั่งไปไม่นานก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาอยังนั้นก็ทางวายาฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งแล้วเราจะนั่งได้อย่างสบาย ถ้าไม่มีสตินั่งได้เดียวเดียวก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้คำถามจากคุณพุทธพุทธิเศษขอกราบเรียนถามครับเวลาเดินจงกรมภาวนาพุทโธจะผิดไหมครับหรือขวาย่างซ้ายย่างครับเอาได้ทั้งนั้นยพุทโธก็ได้ธรมโมก็ได้สังโคก็ได้เดินไปสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ ก็อย่าย่าส่งเสียงดังก็แล้วกันให้มันอยู่ในใจใช้อะไรก็ได้ไม่ไม่ผิดจะใช้เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ก้าวหนอยกหนอวางหนอก็ได้แล้วแต่จะถนัดอันนี้เป็นอุบายดึงจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองคำถามจากคุณพีโกค่ะการติดในรูปแบบพิธีกรรมทางสงฆ์เช่นรับพรจากพระ เป็นความเห็นผิดหรือความหลงครับก็เป็นความเห็นผิดความหลงเหมือนกันอ่ะเพราะไม่เข้าใจความหมายของการให้พรว่าเป็นอย่างไรการให้พรก็เป็นการสอนท่านนั้นเองเป็นการแสดงธรรมของพระย่อๆสอนว่าถ้าทําบุญทําทานแล้วอะจะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละความหมายก็อยู่แค่ตรงนั้นคําถามจากคุณอดีตช่างมันค่ะ ถ้าเราพอรู้ธรรมะบ้างเล็กน้อยเราสามารถบอกทมแก่คนอื่นได้ไหมครับได้ถ้าเขาสนใจแต่อย่าไปดึงคนเขามาบอกก็แล้วกันเจอใครก็บอกธรรมะเขาต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าเหมือนกับให้เงินคนเนี่ยก็ต้องดูว่าเขายินดีจะรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีจะรับก็อย่าไปให้เขาต้องดูว่าคนที่จะฟังธรรมจากเรานี้เขาอยากจะฟังหรือไม่ ไม่ใช่เจอใครก็เรียกมานั่งนั่งหน่อยนั่งหน่อยเดี๋ยวจะมีธรรมะให้ฟังนีเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราบ้าคำถามจากคุณอัตตาหิอัตโนนาโถดิฉันนั่งภาวนาพุโทโธไปได้ไม่ถึงห้านาทีพุโทโธก็หายเห็นเป็นเรื่องราวในใจเจ้าค่ะเกิดและดับเรื่องใหม่ก็มาอีกแต่ไม่ใช่ความคิดเพราะรู้ตัวอยู่เสมอบางทีก็ถอนออกมาออกมาพุโทโธ ไม่นานหลบเข้าไปอีกแต่มีสติรู้อยู่เจ้าค่ะเป็นแบบนี้ตลอดเป็นการภาวนาที่ผิดไหมเจ้าคะผิดนะต้องกลับมาหาที่พุทโธอยาบตามมันไปนะถ้าเราต้องการความสงบเราไม่ต้องการที่จะรู้อะไรเห็นอะไรถ้ามันไปรู้ไปเห็นอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนกับตกจากที่สูง อาจจะสูงมากสูงน้อยบางทีก็ไม่สูงมากบางทีก็สูงมากก็แล้พอมันตกลงมาแล้วมันก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะเฉยสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงตอนนั้นก็ให้พุทโธต่อไปอย่าหยุดพุทโธหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปถลเเละถลลไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์คำถามหม ด, หมดลคะค่ะหมดแล้วนะ ขออนุ ญ, ญาตค่ะถามเลยเถือสิลงแปดนะคะที่บอกว่าไม่กินในยามวิกาลนะค ะ, ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินปานะแต่ว่าเรากินช่วงค่ําอย่างนี้ได้ไหมคะก็ปานะเขาเป็นปัญญาไงมันก็ควรจะกินแบบปัญญาอกินแคเ่เวลาที่เหมาะสมเช่นกินละครั้งก็พอปานะที่เขาให้กินจริง ๆ, ๆที่สํานักวัดป่าปฏิบัติเนี่ยท่านจะมีกําหนดเวลาให้ฉันน้ําปานะกัน วัดป่าบ้านตายก็จะให้ฉันก่อนปัดกวาดบ่ายโมงสองโมงนี่ก็ลงมาฉันกันฉันเสร็จแล้วก็ไปปัดกวาดทํากิ จ, จวัตรเสร็จแล้วก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็ไปเดินจงกรมปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนงั้นการดื่ม น, ะน้าปนะของพระจริงๆนี่เขามีกาลเทเามีกาลเทศะมีเวล่ำเวลาไม่ได้ดื่มตามความอยากเขาจะมาดื่มเพื่อบรรเทาความจําเป็นของร่างกาย ร่างกายอาจจะอิดโรยร่างกายอยากจะได้พลังอะไรนิดหน่อยก็ให้อนุญาตให้ดื่มครั้งหนึ่งเท่าครั้งเดียวรับประทานอาหารก็ฉันมื้อเดียวถ้าผ้าเ k ้ l ๆบางทีก็ตัดน้ำปะนะไปเลยวัดป่าบ้านตาดยุคแรกๆไม่มีน้ำปะนะให้ดื่มฉันมื้อเดียวแล้วก็จบหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไป ตอนหลังมีญาติโยมศรัท ธ, ธาซื้อน้ำปานกปานะมาถวายท่านก็เลยเปิดโอกาสให้พระได้ฉันกันแต่ไม่จําเป็นต้องดื่มน้ำปานะก็ได้แต่ว่าถ้าดื่มครั้งเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็แล้วแต่เวลาก็แล้วกันควรจะดื่มเวลาที่มันไม่มามาขัดจังหวะกับการภาวนาของเราเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิวรนไป กลายเป็นอุปสรรคขวางการภาวนาฉนั้นควรจะเดือมให้มันเสร็ จ, รจไปเพื่อเราจะได้ภาวนายาวไปเลยอที่บ้านตาก็สองโมงดื่มน้ำปะนะกันเสร็จแล้วก็ไปปัดกวาดแต่แล้วก็ไปสงน้ำสงน้ำเสร็จทีนี้ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสี่ห้าทุ่มพักผ่อนหลับนอนตีสามตีสองตีสามก็ตื่นขึ้นมาภาวนาจนถึงสว่างเดินจงกรมนั่งสมาธิ แล้วก็ออกบินตาบาดฉันมือเดียวฉันเสร็จก็กลับไปเดินจนงกรมนั่งสมาธิจนถึงบ่ายก็ไปฉันน้าปาะนะนี่กิจวัตรที่บ้านตาดเป็นอย่างนี้ทำให้มันเป็นกิจลักษณะอย่าทำแบบหิวโหยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินอย่าอย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่กินนี่เพื่อช่วยเหลือร่างกายร่างกายมันอาจจะต้อง การสารอะไรต่างๆเพื่อให้มันมีกําลังวางชาก็บางทีตอนบ่ายๆมันอาจจะขาดพลังงานก็เติมน้ําตาลเติมน้นําปนะเข้าไปหน่อยมันจะได้มีเรี้ยวมีแรงจะได้ปฏิบัติต่อไปนะแต่ผู้ที่มีสติแก่กล้านี้ไม่จําเป็นจะต้องมีน้นําปนะพวกที่ไปทุ่ดงในป่าไม่มีน้นําปนะกันหรอกหลวงปู่มั่นท่านอยู่ในป่ากับชาวป่าชาวเขานี่ไม่มีชาวเขาก็ไปถวายน้นําปานะกับท่านแล้ เขาก็ใส่บาตรแค่ตอนเช้าหลังจากนั้นท่านก็อยู่ของท่านตามลาพังปฏิบัติของท่านตามลาพังไปงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องน้ําป่าหน้ามากจนเกินไปถ้ามันเป็นเรื่องกังวลก็อย่าไปเดือดมันดีกว่าแสดงว่าเป็นกิเลสแล้วเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเพศพิพจารณาไปปฏิบัติ